บุ๊กทูปดคําคำถามอดีตการหนึ่งคุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วส кільки ви працювали คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว Скільки ви написали คุณนอนหลับสบายไหมย Як ви спали คุณสอบผ่านได้อย่างไร Як ви здали і с คุณหาทางพบได้อย่างไร Як ви знайшли дорогу? คุณพูดกับใครมา З ким ви говорили? คุณนัดกับใครมา З ким ви домовилися? คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา З ким ви святкували день народження? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Давы Були. คุณเคยอยู่ที่ไหนมา Давы Жили. คุณเคยทำงานที่ไหนมาด а в ы Працювали. คุณแนะนำอะไรไปแล้ว щ т о в и р е к о м е н д у в а л и คุณทานอะไรมา Що ви їли? คุณได้พบอะไรมา Що ви дізналися? คุณขับรถมาเร็วแค่ไหน Як швидко ви їхали? คุณใช้เวลาบินนานเท่าไหร่ Як довго ви л е ц і л и